วันนี้เป็นวันเสาร์ที่13ร ก, กรกฎาคมพุทธศักราช2562เป็นวันหยุดทำงานทำการของศรัทธาญาติโยมเพื่อมีศรัทธาความเชื่อมีปราษาทะความเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์จึงได้ใช้เวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆมาวัดตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พุทธบริษัทศรัทธายาดยม เวลามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆให้มาวัดเพื่อที่จะได้มาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระวัดหรือพระพุทธศาสนานี่ก็คือสถาบันการศึกษานั่นเองเป็นเหมือนโรงเรียน เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยที่นักเรียนนักศึกษาต้องไปเรียนเพื่อที่จะได้มีวิชาความรู้นำเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับตนต่อไปแต่ความรู้ของทางพระพุทธศาสนาคือความรู้ทางธรรมนี้เป็นความรู้ที่ มีคุณมีประโยชน์มากกว่าความรู้ทั้งหลายที่สอนกันในสถาบันการศึกษาต่างๆเพราะความรู้ในสถาบันการศึกษาไม่รู้จากวิธีไม่มีความรู้ที่จะสอนให้ผู้ไปเรียนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ใจกันมีความรู้ทางธรรมเท่านั้น ที่จะสอนให้ผู้ศึกษาผู้เร่ามเรียนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจอย่างสิ้นเชิงผู้ที่ศึกษาทางธรรมจะได้เรียนวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตนเองแต่ถ้าไปเรียนวิชาความรู้ในสถาบันการศึกษาทางโลกนี้ จะไม่ได้เรียนวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับตนเองวิช า, ต, าต่างๆที่สอนในสถาบันทางโลกนี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะสอนเรื่องภูมิศาสตร์สอนเรื่องประวัติศาสตร์สอนเรื่องร่างกายเพื่อจะได้ดูแลรักษาร่างกาย เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปแต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวพวกเราพวกเรานี้ตัวแท้จริงของพวกเราคือจิตใจจิตใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะรู้จากว่าเป็นอะไรและจะดูแลจิตใจอย่างไร ที่จะทำให้จิตใจไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีสถาบันใดในโลกนี้สถาบันการศึกษาในโลกนี้ที่จะรู้จากเรื่องราวของจิตใจมีสถาบันเดียวเท่านั้นที่รู้เรื่องจิตใจก็คือพระพุทธศาสนานี่เองนี่เอง ผู้ใดถ้าได้มาเรียนจากสถาบันการศึกษาของพระพุทธศาสนาแล้วจะได้รู้จักตัวเองจะได้รู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนเองให้หมดสิ้นไปนี่แหละทำไมเราจึงต้องมาวาัดกัน ทำไมเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือแหล่งของความรู้ทางธรรมแหล่งของความรู้ที่เกี่ยวกับตัวของพวกเราที่พวกเราไม่รู้จักว่าตัวของพวกเรานี้เป็นอะไรน่มีความสําคัญอย่างไรเพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครสอนเรื่องของตัวเรา สอนแต่เรื่องของที่ไม่ใช่เป็นตัวเราเช่นสอนเรื่องของร่างกายความจริงนี้ร่างกายไม่ได้เป็นตัวเราแต่ความหลงของคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็ไปเรียนเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับข้องกับร่างกาย ก็เกี่ยวเรื่องของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเรียนว่าเรียนวิธีที่จะหาข้าวของสมบัติเงินทองต่างๆมาใช้มาดูแลร่างกายมาให้ความสุขกับร่างกายแต่ไม่ได้มาเรียนรู้วิธีที่จะมาหาความสุขให้กับใจใจจึงยัง ต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะได้เงินทองได้ทรัพย์สมบัติอะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามร่างกายมีความสุขมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ใจก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจเลยมีแต่ความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นคนนี้ ทุกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะรวยจะจนไม่ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตรหรือเป็นผู้น้อยก็มีเรื่องของความทุกข์ใจอยู่เรื่อยๆนั่นก็เพราะว่าไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของจิตใจไม่ได้มีการเรียนรู้วิธีกําจัดความทุกข์ ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะไม่ได้เข้าวัดกันหรือถ้าเข้าวัดก็เหมือนกับไปไม่ถึงวัดเข้าวัดแล้วไปไม่ถึงวัดนี่เข้าอย่างไรก็เข้าไปแล้วแต่ไม่ได้ศึกษานั่นเองไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสมัยนี้คนส่วนใหญ่ ที่เรียกตนเองว่าพุทธศาสนิกชนก็จะเข้าวัดแบบนี้เข้าวัดแต่ไปไม่ถึงวัดเพราะว่าไม่ได้เข้าไปศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าวัดเพื่อไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิสถานอยู่ในวัดเช่นพระพุทธรูปคนส่วนใหญ่ 90% เซน เข้าวัดเพื่อไปกราบพระในโบสถ์จุดทูกเทียนถวายดอกไม้แล้วก็หยอดเงินหยอดทองเข้าไปในตู้บริจาคเสร็จแล้วก็ขอพรต่างๆใครอยากได้อะไรก็ขอกันไปอยากรวยก็ขอให้รวยอยากเป็นใหญ่ก็ขอให้เป็นใหญ่อยากได้แฟนก็ขอให้ได้แฟน อยากได้ลูกก็อยาขอให้ได้ลูกอยากให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บนี่คือวิธีการเข้าวัดของชาวพุทธส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นการเข้าวัดตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เข้าวัดกันเพราะไม่รู้สถานภาพของ การเป็นชาวพุทธว่าเป็นอะไรกันแนานั่นเองสถานภาพของชาวพุทธนี้คือเป็นนักเรียนนักศึกษาทางธรรมทางวิชาความรู้ทางธรรมเข้าวัดเพื่อศึกษาหาความรู้ทางธรรมจะได้ความรู้ทางธรรมก็ต้องศึกษาด้วยการอ่านหนังสือธรรมะหรือด้วยการฟังเทศฟังธรรม ถึงจะได้วิชาความรู้ทางธรรมเหมือนกับนักเรียนถ้าไปโรงเรียนแล้วไม่เข้าห้องเรียนจะได้วิชาความรู้อย่างไรถึงเวลาสอบก็จะสอบตกสอบไม่ได้นักเรียนพวกที่ไปโรงเรียนแล้วไปไม่ถึงโรงเรียนก็พวกที่พ่อแม่ส่งลงที่หน้าประตูโรงเรียน ขอพ่อแม่ขับรถไปแทนที่จะเลี้ยวเข้าโรงเรียนก็ไปนู่นไปตามศูนย์การค้าไปตามโรงภาพยนตร์ไปตามสถานการละเล่นต่างๆเนี่พวกนี้ก็เรียกว่าพวกหนีเรียนสมัยที่เราเรียนเขาเรียกว่าพวกโดดร่มไม่เข้าโรงเรียนไม่เข้าห้องเรียน แล้วเรียนการเรียนจะไม่ดีและอาจจะเรียนไม่ผ่านเพราะว่าไม่เข้าห้องเรียนนั่นเองชาวพุทธเราส่วนใหญ่นี่สอบตกทั้งนั้นสอบตกด้วยวิธีใดเราจะรู้ได้ยังไงว่าชาวพุทธเราสอบตกก็เพราะว่าเวลาเจอข้อสอบต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทุ ก, กันอยู่เรื่อยๆืเครียดกันอยู่เรื่อยเรื่อย นี่คือผลของการเรียนของชาวพุทธเราถ้าเรายังต้องทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้อยู่ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับสิ่งนั้นทุกข์กับสิ่งนี้แสดงว่าเรายังสอบตกอยู่คนที่สอบผ่านนี้จะต้องไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นจะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องนี้ไม่ทุกข์กับคนนั้นไม่ทุกข์กับคนนี้ ไม่ทุกกับสิ่งนั้นไม่ทุกกับสิ่งนี้หรือความทุกข์เริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อก่อนถอยทุกข์กับหลายเรื่องเดี๋ยวนี้ความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่ากําลังก้าวหน้ากําลังเนะลงเื่อนชั้นขึ้นไปตามลําดับแต่ถ้าเข้าวัดแล้ว ไม่ได้เข้าห้องเรียนนี้รับรองได้ต้องสอบตกกันทุกคนเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆก็จะเกิดความเครียดเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเป็นชาวพุทที่ชอบโดดล่มชอบหนีเรียนนั่นเองไม่ชอบเข้าห้องเรียนเข้าไปวัดก็ไปขอพร ขอสิ่งต่างๆจากพระพุทธรูปพอขอเสร็จก็กลับบ้านอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็ไม่ได้เข้าห้องเรียนไปวัดก็ไม่ได้เข้าวัดไปไม่ถึงวัดถ้าจะถึงวัดนี้ต้องไปร่ำเรียนไปศึกษาคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ร่ำได้เรียนได้ศึกษาแล้ว ก็ยังต้องนาเอาไปปฏิบัติเพราะว่าวิชาความรู้ของทางพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สามระดับด้วยกัน เ, ออเหมือนกับวิชาความรู้ทางโลกก็ต้องมีการศึกษาในสามระดับด้วยกันออระดับแรกก็คือเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือจากครูครูก็จะสอนวิธีบวกเลข ล บ, ลบคูณหารสอนเรื่องอะไรต่างๆขั้นที่สองครูก็ให้การบ้านเอากลับไปทำที่บ้านต่อที่ให้ทำการบ้านเพื่อจะได้ตอกย้ำความรู้ที่ครูสอนในที่อยู่ในห้องเรียนให้นั่งเรียนเอาไปทบทวนแล้วเอาไปทำการบ้านพอได้ศึกษาก็จะได้รู้ พอได้รู้แล้วก็ต้องเ อ, อกไปทบทวนเพื่อที่จะได้ไม่หลงไม่เดิมด้วยการทำการบ้านด้วยการหนังสือดูหนังสือต่อแล้วถึงมาถึงขั้นที่สามคือการสอบความรู้ถ้าทำการบ้านเวลาครูสอนก็ตั้งใจฟังคอยทบทวนคอยอ่านหนังสือดูหนังสืออยู่เรื่อยๆพอเวลาสอบก็จะสอบผ่าน นี่คือความรู้ในะบวนการของการศึกษาความรู้นี้มีสามะบวนการด้วยกันะบวนแรกก็คือเรียนรู้จากผู้ที่รู้จากครูจากอาจารย์จากหนังสือะบวนการที่สองก็คือการเอาความรู้ที่ได้เรียนที่ได้เรียนรู้จากครูจากอาจารย์จากหนังสือนี้มาทบทวนมาคอย ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกดูอยู่บ่อยๆเพื่อให้ไม่หลงไม่ให้ลืมแล้วพอคิดว่ารู้จริงแล้วไม่ลืมแล้วก็ไปเข้าห้องสอบดูดูเสว่าเวลาเขาถามโดยที่เราไม่มีหนังสือเปิดดูเรายังจะจําความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือได้หรือเปล่าอาถ้าเราจําได้เราก็จะสอบผ่าน อันนี้คือขอบวนการเรียนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็ทางธรรมก็เหมือนกันมีสามะบวนการมีสามขั้นตอนของทางธรรมก็มีสมขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการเรียนรู้จากผู้อื่นเพราะว่าวิชาทางธรรมนี้เราเกิดมานี้เราไม่ได้รู้มันไม่มีติดตัวเรามา อยากจะรู um ้ทางธรรมเราก็ต้องท่องหาผู้ที่รู้ทางธรรมผู้ที่รู้ทางธรรมก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเข้าวัดนี้เราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์การถือสาระของชาวพุทธเหล่านี้ถือแบบเป็นอาจารย์เป็นครู บางคนไม่เข้าใจว่าการถือสารณะนี้ถืออย่างไรสารณะนี้คือที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจก็คือความรู้ทางธรรมการจะมีความรู้ทางธรรมก็ต้องมีผู้รู้ธรรมเป็นผู้สั่งผู้สอนสมัยนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็สรง บอกพวกเราก่อนที่จะจากไปว่าผู้ที่จะทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สองท่านด้วยกันคือหนึ่งพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งแสดงไว้และได้มีการจดจำและบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะอันนี้เป็นผู้ที่จะสั่งสอนเราได้คือพระธรรมที่มีบันทึกไว้ใน พระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็คือคำพีที่บันทึกคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้แล้วอีกผู้หนึ่งที่จะดูที่จะเป็นผู้สั่งสอนเราได้ก็คือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ทางธรรม ที่จะสามารถสั่งสอนวิชาทางธรรมให้กับพวกเราได้นี่คือสารณะที่พึ่งของเราคือเป็นครูเป็นอาจารย์วิธีที่จะถือสารณะจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือต้องศึกษาต้องนั่งเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นไม่ต้องไปเรียนจากผู้อื่นถ้าเราต้องการวิชาทางธรรม เราเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้พอแล้วถ้าไปเรียนจากผู้อื่นนี้อาจจะได้ความรู้ปลอมก็ได้อาจจะได้ความรู้ที่ไม่ใช่เป็นความรู้จริงก็ได้ถ้าจะเรียนต้องเรียนจากของจริงของแท้ผู้รู้จริงเห็นจริงผู้รู้จริงเห็นจริงนี้มีสามองค์เท่านั้นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า และพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านอกนั้นแล้วยังไม่เป็นไม่ถือว่าเป็นผู้รู้จริงถึงแม้จะมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาและได้มาเรียนคำภีได้เรียนจากคำภี ต, ต่างๆก็ตามถ้ายังไม่ได้ไปปฏิบัติยังไม่ได้ไปเข้าห้องสอบไปทำข้อสอบยังไม่รู้ว่าสอบผ่านได้หรือไม่ได้ ยังไม่ถือว่าเป็นอาจารย์เป็นสารณะที่แท้จริงสมัยนี้เรามีอาจารย์ทำธรรมกันเยอะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์ที่แท้จริงหรือไม่เพราะเราไม่รู้ว่าท่านผ่านท่านสอบผ่านหรือไม่เพราะเรื่องของการสอบผ่านนี้ก็ไม่มีการประกาศให้รู้กันเป็นเรื่องเฉพาะตน ผู้สอบผ่านนี้จะรู้ในใจของตนเองว่าได้สอบผ่านแล้วแต่ผู้ที่ผู้อื่นนี้จะไม่รู้ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากลําบากสำหรับผู้ที่ศึกษาว่าใครเป็นผู้ที่ได้สอบผ่านแล้วใครเป็นอริยสงสารลกแล้ว ถ้ายังไม่มั่นใจในอริยสงสาวกก็ไปเอาซิเอาไปศึกษาจากแหล่งที่มั่นใจก็คือพระไตรปิฎกไปก่อนก็ได้นะศึกษาจากพระไตรปิฎกไปอย่างน้อยก็จะมีความมั่นใจว่าเป็นความรู้จริงจะไม่หลงทางถ้าศึกษาจากพระไตรปิฎกแต่มันก็จะเป็นสิ่งที่ยากกว่าการที่ได้ศึกษาจาก พระอาริยสงสาวกหรือจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะว่าการศึกษาจากครูจากอาจารย์ที่พูดได้นี่จะง่ายกว่าเพราะครูอาจารย์ที่สอนเหล่านี้มักจะรู้ว่าความรู้ของเราความสามารถของเหล่านี้อยู่ในระดับไหนเพราะำคำคําสั่งคําสอนของาศาสนาพุทธนี้มีเป็นระดับ มีเป็นเกรดมีเป็นชั้นเหมือนกับเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆตามโรงเรียนเขาจะมีชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาพอนักเรียนไปสมัครเรียนนี่ครูบางทีพอเห็นปั๊บก็รู้เลยว่าต้องไปเรียนชั้นไหนก่อนถ้าเด็กเดินเข้ามาพ่อแม่อุ้มเข้ามานี่พอต้องไปอนุบาลก่อน ถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็ไปเรียนปฐมได้อรูจะรู้ความสามารถของเด็กที่จะมาเรียนหนังสือชั้นใดพระ อ, อริยสงสาวกหรือพระพุทธเจ้าก็จะรู้ภูมิธรรมของผู้ที่มาศึกษาว่าอยู่ในระดับไหนสมควรที่จะสมสอนธรรมะในระดับไหนให้แก่ผู้ที่มาศึกษา แต่ถ้าไปศึกษาจากพระไตรปิฎกนี้พระไตรปิฎกจะไม่สามารถเลือกธรรมะต่างๆมาสอนผู้ที่มาศึกษาได้ผู้ที่ศึกษาจากพระไตรปิฎกจะต้องเป็นผู้เลือกธรรมะเองต้องค้นคว้าหาธรรมะที่เหมาะกับระดับของตนอันนี้ก็เลยจะทาให้ช้าล่าช้าและยาก เพราะบางทีผู้ศึกษาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าธรรมะอันไหนเหมาะกับตนเองดังนั้นการมีครูมีอาจารย์นี่จะในรูปแบบของพระอริยสงฆ์นี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า แต่ในกรณีที่ไม่มีจริงๆก็ต้องอาศัยการศึกษาจากพ่อไตบป็นดกไปค่อยอ่านไปทีละบททีละตอนไปแล้วก็นำเอามาคิดพิจารณาถ้าอ่านเรื่องไหนเข้าใจก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันถ้าอ่านเรื่องไหนแล้วยังไม่เข้าใจก็ถือว่ายังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน ก็ต้องเรียนไปแล้วก็พัฒนาไปตามลําดับพราะการเรียนนี้เมื่อเรียนแล้วถ้าต้องการที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นก็ต้องมีการสอบกัน เ, ออเหมือนกับการเรียนทางโลกเรียนจบเรียนจบแล้วก็ต้องสอบถึงจะรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านออถ้าไม่ผ่านก็ต้องเรียนซ้ําชั้นต่อไปจนกว่าจะสอบผ่าน ถึงจะได้เลื่อนขึ้นชั้นต่างๆนี่คือเรื่องของกระบวนการเรียนทางโลกและทางธรรมนี้มีอยู่สามขั้นสามระดับและต้องมีผู้รู้เป็นผู้สั่งผู้สอนถ้าเอาครูที่ไม่ได้จบเรียนมาสอนเดี๋ยวก็สอนเด็กผิดอีกครูที่มาเรียนนี้ก็ต้องไปสอบวิชาต่างๆ เพื่อที่จะรับรองคุณภาพของครูว่ามีความสามารถที่จะสอนเด็กต่างๆได้ออทางธรรมก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลออถึงจะเป็นเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสังขารตรนะอะเป็นสังขังสราณ์กัจฉามิไดออ้ต้องเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ทาการบ้าน และได้สอบจนผ่านคือพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้ารู้จักวิธีกาจัดความทุกข์รู้จักวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์และปฏิบัติจนหลุดพ้นได้ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ที่แท้จริงเป็นผู้ที่สามารถสั่งสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ดังนั้นกระบวนการศึกษาขั้นที่หนึ่งเรียกว่านัองเรียนรู้จากผู้รู้ผู้รู้จริงเห็นจริงคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วและพระ อ, อริยสงสาวกผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์ระดับต่างๆแล้ว ท่านทั้งสามนี่แหละจะเป็นคููเป็นอาจารย์ของพวกเราเป็นสรณะของพวกเรานี่คือความหมายของการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณะไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่หรือห้ามไม่ให้กราบคนอื่นหรือไม่ต้องกราบแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวหรือไม่ อันนี้ไม่เกี่ยวกันจะกราบใครก็กราบได้กราบพ่อกราบแม่กราบผู้มีพระคุณต่างๆกราบครูอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆอะไรเหล่านี้กราบได้ไม่ได้เป็นเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องการถือศรลาการการที่เรากราบพระพุทธธรรมประสงค์ก็เป็นเพียงการแสดงความเคารพให้ของเราให้กับผู้ที่เรามี ความสำนึกในบุญคุนนั่นเองคือเราสำนึกในบุญคุนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็กราบไหว้เรียกว่าอามิทสบูชาบูชาด้วยการกราบไหว้บูชาด้วยการถวายดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะบูชาต่างๆนอนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรา ถ้าเราอยากจะไปบูชาเทวดาบูชาพระเจ้าที่ไหนก็บูชาได้ถ้าอยากจะบูชาเพียงแต่ว่าอย่าไปฟังเขาต่นนั้นเองอย่าไปฟังคำสั่งคำสอนของเขาหรือถ้าต้องฟังก็ไม่ต้องเชื่อหรือถ้าฟังแล้วถ้าอยากจะเชื่อก็ต้องเอามาต้องเอามาเปรียบเทียบกับคำสั่งคำสอน ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนว่าขัดกันหรือไม่ถ้าขัดกันก็ไม่ไม่ควรเชื่อเพราะจะหลงทางถ้าคาสอนของใครเป็นคำสอนที่ขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแสดงว่าไม่ใช่ทางสู่การหลุดพน้นแต่ถ้าเป็นคำสั่งคำสอนที่ยังไม่ขัดกันก็เชื่อได้ เช่นศาสนาอื่นนี่ก็มีคำสั่งคำสอนที่คล้ายคลึงกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธศาสนาทุกศาสนานี้สอนให้ทาบุญทาทานอันนี้ก็ไม่ขัดกับคำสั่งคำสอนของศาสนาพุทธที่สอนให้ทาบุญทาทานกันทุกศาสนาก็สอนให้ไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้ทำร้ายกันละกัน ให้มีความเมตตาต่อกันละกัน <c oughs> อย่างนี้ก็เชื่อได้อย่างนี้ก็ปฏิบัติตามได้แต่ถ้าศาสนาเชื่อว่าถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ต้องเชื่อว่าพระพุทธว่าพระพระเจ้าส่งลูกมาถ่ายบาปให้กับพวกเราพวกเราเพียงแต่เชื่อเท่านั้นเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่าง ถ้าอย่างนี้ก็เชื่อไม่ได้เพราะการจะดุดพ้นจากความทุกนี้ไม่ได้เกิดจากการเชื่อเพียงอย่างเดียวเชื่อแล้วยังต้องนำเอาไปปฏิบัติที่ให้เชื่อก็ต้องเชื่อความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ไม่ถูกต้องนี้ก็เชื่อไม่ได้ตามหลักธรรมของของพระพุทธศาสนานี้ไม่มีใครมาถ่ายบาปให้เราได้ ไม่มีใครมาปลดเราให้พ้นจากความทุกข์ได้เราต้องเป็นผู้ปลดตัวเราเองให้พ้นจากความทุกข์เราต้องเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเท่านั้นเราหลุดพ้นจากความทุกขไ์ได้ได้ด้วยตัวของเราเองแม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติให้กับเราได้ พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงผู้บอกวิธีการดับความทุกข์ต่างๆแต่ผู้ที่จะเอาวิธีการไปดับความทุกข์นี้ต้องเป็นเราเท่านั้นและก็ดับได้เฉพาะใจของเราเท่านั้นด้วยเราจะเอาไปดับความทุกข์ของผู้อื่นก็ไม่ได้เช่นเห็นพ่อแม่ทุกข์อยากจะให้พ่อแม่หายทุกข์เราก็ไปทาปฏิบัติแล้วทาให้พ่อแม่หายทุกข์ ก็ทำไม่ได้พ่อแม่ต้องปฏิบัติเองออด้วยการเรียนรู้จากเราได้อยู่ถ้าเรารู้จักวิธีดับทุกข์แล้วเห็นพ่อแม่ทุกข์ถ้าพ่อแม่เชื่อเราเราสอนพ่อแมออ่พ่อแม่ก็สามารถเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองต้องปฏิบัติด้วยตนเองถึงจะดับความทุกข์ของตนเองได้นี่คือเรื่องของความเชื่อ เรื่องของการถือสาละณะถือสาลณะนี้ต้องถือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักถ้ามีคำสอนของผู้อื่นที่ไม่ขัดกับับสั่งคำสอนของ <c oughs> พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เชื่อได้แต่ถ้าขัดกับหลักคาสั่งคาสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ควรเชื่อ พอท้าเชื่อแล้วก็จะหลงทางได้จะไม่ได้ผลที่ต้องการคือการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้รู้ว่าการถือสาระในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ถืออย่างไร ก็ให้ถือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งสอนธรรมะให้กับพวกเราดังนั้นเวลาเราไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมกับใครก็ตามถ้าฟังแล้วมันทำแม่งมันรู้สึกขัดกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ต้องสงสัยไว้ก่อนนะการสงสัยนี้ไม่ผิดนะการสงสัยในครูอาจารย์นี้ไม่ถือว่าบาป ไม่ถือว่าผิดเป็นหลักการหลักการของการเรียนรู้เมื่อเราไม่มั่นใจเราสงสัยว่าสิ่งที่ท่านพูดนี้ถูกต้องหรือไม่เรามีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้แต่วิธีที่จะแก้ความสงสัยนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาวิธีหนึ่งก็คือต้องไปศึกษาไปค้นหาในพระไตรปิฎกดู ว่าสิ่งที่ท่านสอนที่ท่านพูดนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกหรือไม่หรือไม่เช่นั้นเราก็ต้องไปศึกษากับพระที่เราเชื่อว่าเป็นพระอริยสงสารกเราจะรู้ได้อย่างไรพระอริยสงสาวกที่เราจะรู้รู้ได้ง่ายที่สุดก็คือพระอริยสงสาวกที่ตายแล้วพระที่ตายแล้วแล้วกระดูกของท่านนี้ กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมานี่แสดงว่าท่านเป็นพระอริยสงสาวกท่านเป็นพระอาหารหันต์เพราะมีพระอาหารหันต์เท่านั้นที่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วกระดูกบางส่วนนี้จะกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเราได้ยินได้ศึกษาประวัติของพระที่ตายไปแล้วแล้วรู้ว่าท่านมีกระดูกของท่านกลายเป็นพระาธาตุ เราก็ไปศึกษาจากคำสอนของท่านก็ได้เพราะสมัยนี้ถึงแม้ว่าร่างกายของท่านตายไปแล้วแต่คำสั่งคำสอนของท่านก็ยังมีอยู่มีบันทึกอยู่ในหนังสือต่างๆอยู่ในสื่อต่างๆที่เราสามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นี่นี่คือวิธีแก้ความสงสัย ถ้าเกิดเราโชคไม่ดีไปเจอครูอาจารย์ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงเราก็อาจจะเรียนรู้วิชาที่มันฟังแล้วมันไม่มันไม่ถูกต้องเราก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้และมีสิทธิ์ที่ไม่เชื่อหรือเปลี่ยนอาจารย์ได้ถ้าเราได้พิสูจน์แล้วว่าท่านไม่เป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริง เพราะถ้าไปเรียนกับผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงอาจจะรู้แต่ไม่เห็นคือผู้ที่เรียนรู้จากหนังสือนี่รู้รู้จริงรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นสอนอย่างนี้แต่ไม่เห็นจริงเวลาสอนบางทีความเห็นของท่านก็มาขัดกับความรู้ที่ท่านเรียนเองก็มีอันนี้เราผู้เรียนหนังสือธรรมะจึงต้องเป็นคนที่มี ความฉลาดรอบคอบไม่ให้เชื่อแบบงมงายนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในกาลมาสูตรเนี่ยท่านทรงสอนห้ามเชื่อสิบสิบประการด้วยกันคือไม่ให้เชื่อตามกันมาอันนี้เพราะว่าถ้าเกิดผิดตั้งแต่ต้นมันก็ผิดกันทั้งขบวนถ้าคนแรกเชื่อในสิ่งที่ผิดมาแล้วมาสอนกันว่าเป็นของถูก คนที่เชื่อก็เชื่อกันตามมาก็ผิดกันเหมือนสมัยก่อนนี่คนก็เชื่อว่าโลกนี้แบนกันก็เชื่อกันตามกันมาว่าโลกนี้แบนแล้วไม่นานก็มีนักวิทยาศาสตร์มามาค้านว่าโลกนี้ไม่แบนเพราะเขามีกล้องส่งออกไปดูนอกโลกดูดวงดาวดูโลกไหนมันก็กลมไปหมดแล้วทำไมจะแมนโลกนี้มันจะแบนได้อย่างไรเขาก็ ค้านทันทีแล้วเขาก็มีวิธีพิสูจน์ให้เห็นว่าโลกนี้มันกลมการพิสูจน์ก็คือเนี่ยเขาดูเรือที่เข้ามาจากทะเลเข้ามาฝั่งนี่ทำไมเวลาเข้ามาจึงไม่เห็นตัวเรือพร้อมๆกันถ้าโลกมันแบนมันก็ต้องเห็นพร้อมกันหมดทั้งตั้งแต่ตัวเรือขึ้นไปจนถึงเสาถงแต่ทาไมเวลาเรือที่อยู่ นอกทะเลเวลากับเข้าฝั่งนี้จะเห็นแต่ยอดเสาธงก่อนแล้วค่อยเห็นส่วนอื่นตามลงมาตามลําดับก็สแสดงว่าพื้นผิวโลกของเรือที่กําลังแล่นเข้ามานี้มันโค้งนั่นเองเหมือนกับคนที่ขี่ม้าข้ามเขาขึ้นมาเวลาคนขี่ม้าข้ามเขาขึ้นมาเราจะไม่เห็นตัวมา้าถ้าเขาถือธงจะเห็นเสาธงก่อน อเสาธงแล้วถึงจะเห็นคนขี่เห็นคนขี่แล้วถึงจะเห็นตัวมาเพราะว่าภูเขาที่เขาขี่ข้ามานี้มันโค้งมันเวา้าวเหมือนกับเรือที่เราเห็นเสาธงก่อนแล้วเราค่อยมาเห็นตัวเรือลําเรือ <laughs> ก็เพราะว่าพื้นผิวน้ํานี้มันโค้งมันเวา้า <laughs> วก็พิสูจน์ได้ว่าโลกนี้มันกลมเนี่ยกตัวอย่างว่า บางทีเราเชื่อกันมาแบบเชื่อตามกันมาแล้วก็เชื่อกันผิดๆคนสมัยก่อนไม่กล้านั่งเรือออกไปไกลมักลัวจะตกออกนอกขอบโลกไปเพราะคิดว่าโลกนี้แบนเหมือนเหมือนโต๊ะนี่พอใบวิ่งถึงขอบโต๊ะเดี๋ยวมันก็ตกออกจากขอบโต๊ะไปไปแล้วจะไม่ได้กลับบ้านกันอ แต่หลังจากที่ได้มีการพิสูจน์ว่าโลกนี้แบนก็เลยไม่มีใครกลัวนั่งเรือออกไปไกลจนได้ไปค้นทวีปใหม่ๆค้นพบแผ่นดินใหม่ๆขึ้นมาอกีกเยอะแย ะ, ย ะ, ยะขึ้นมาอันนี้คือเรื่องของการเชื่อตามกันมาลองไปอ่านในการลมสูตรนียส่งสอนว่าอย่าไปเชื่อสิบวิธีด้วยกันสิบแบบด้วยกัน แต่การไม่เชื่อนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการปฏิเสธเพียงแต่ว่าให้ถ้ายังไม่มั่นใจต้องหาอะไรมายืนยันมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดนี้จริงหรือไม่จริงไม่ใช่เชื่อแบบงมงายพอใครเขาบอกให้เชื่อก็เชื่อเลย อ, อ, อย่างนี้อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ อไม่เชื่อตามกันมาไม่ให้เชื่ อ, เ, อเพราะฟังแล้วรู้สึกว่าหน้าเชื่ออย่างนี้ก็ไม่ให้เชื่อเดี๋ยวก็ถูกหลอกเขาเอาเอาการลงทุนอะไรมาหลอกเราให้เราลงทุนลงทุนแล้วจะได้เอได้เงินปันผลได้อะไรเยอะแยะพวกพวกแม่พวกแชร์แม่แชร์ฉม้อยทั้งหลายนี่ก็เป็นเชื่อแบบนี้เชื่อว่าน่าเป็นไปได้เพราะว่าเขามีวิธีหลอกเรา พอเราซื้อแชร์เขาปั๊บเขาก็ปันผลให้เราทันทีร้อยละยี่สิบทันทีแต่เราไม่รู้ว่าเขาเอาเงินของเราเนี่ยมาคืนเราเราให้เขาไปร้อยหนึ่งแล้วเขาก็ให้กลับมายี่สิบว่านี่เงินนี่คือเงินกำไรจากการที่ไปลงทุนกับเขาแต่เขาไม่ได้เอาเงินไปลงทุนเลยเขาก็เอาเงินไปหมุนเนี่ยเอาเงินของเราไปจ่ายดอกให้กับคนอื่นคนอื่นก็คิดว่าโอ๊ยลงทุนแบบนี้ดีก็เลย ชวนเพื่อนชวนฝูงมาลงทุนกันเอาเงินมาลงกันใหญ่แต่ไม่รู้หรอกว่าเงินเหล่านี้ไม่ได้ไปลงทุนเลยเงินเหล่านี้เอามาหมุนจ่ายดอกให้กับพวกเราเองแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเงินมันก็จะหมดเพราะคนที่เอาเงินนี้เขาก็จะเอาไปใช้อย่างอื่นด้วยเขาไม่เอามาปันผลให้เราอย่างเดียวเดี๋ยวตอนหลังมันก็จะรู้พอรู้ขึ้นมาก็เจ๊งกันหมดนะขาดทุนกันหมด เพราะเชื่อคิดว่าน่าเชื่อเพราะเขามีวิธีล่อใจทำให้เราหน้าเชื่อพอลงทุนกับเขาซื้อหุ้นกับเขาปั๊บเขาให้ปันผลทันทีเลยเอาไปเลยร้อยละยี่สิบมีที่ไหนบ้างจะให้ร้อยละยี่สิบตามธนาคารอย่างนี้ให้ร้อยละบาทร้อยละสองบาทไอ้นี่พอไปฝากกับเขาปั๊บไปลงทุนกับเขาปั๊บเขาให้ร้อยละยี่สิบเลย อันนี้มันก็น่าเชื่อใช่ไหอแต่น่าเชื่อแบบนี้ก็หมดเนื้อหมดตัวได้ต้องไปสอบถามผู้รู้ก่อนสอบถามผู้ที่อยู่ในวงการการเงินการทองว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเขาจะต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นไปได้เขาก็ทำมาแล้วทำไมต้องรอให้คนอื่นมาทำก่อน น, นี่คือเรื่องของความเชื่อที่จะทำให้เราไม่หลงทาง เพราะว่าครูอาจารย์ที่เราเลือกเชื่อนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าท่านน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าอยากจะมีความมั่นใจก็เชื่อครูบาอาจารย์ที่ตายไปแล้วนะอันนี้เชื่อถือได้ถ้ากระดูกท่านเป็นพระธาตุแล้วทีนี้รับรองได้คำสั่งคำสอนต่างๆที่ท่านสอนไว้ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นี่ เราเชื่อได้ทุกคำสั่งคำสอนเอาไปปฏิบัติตามได้อย่างอย่างมั่นใจและจะได้ผลเพียงแต่ว่าอาจจะช้าเพราะเราเราอาจจะเป็นคนผิดก็เองที่อ่าแล้วไม่เข้าใจความหมายแล้วแปลความหมายผิดก็ได้อันนี้ก็อาจจะทำให้เราหลงทางได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น บางทีเราศึกษาแล้วเราเอาไปปฏิบัติแล้วถ้าเรายังไม่เกิดผลเราก็อาจจะต้องกลับเข้ามาค้นคว้าอ่านต่อไปหรือไม่เะนั้นเราก็อาจจะต้องหาผู้ที่ปฏิบัติร่วมกันก็อาจจะมีคนช่วยยืนยนันหรือช่วยบอกว่าวิธีนี้อาจจะไม่ถูกก็ได้แต่ถ้าสรุปแล้วถ้าได้ครู ที่รู้จริงเห็นจริงที่มีชีวิตอยู่นี้จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราสงสัยอะไรนี้ถามได้ท่านจะตอบท่านจะแก้ให้กับเราได้เราจะไม่หลงทางเวลาเราปฏิบัติไปแล้วทำไมถึงไม่ได้ผลท่านก็จะบอกเราว่าปฏิบัติน้อยไปหรือเปล่าลปฏิบัติถูกหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของการถือสาระถือที่พึ่ง ไม่ต้องเกรงใจครูบาอาจารย์ถ้าเราสงสัยนี่เกรงใจนะสงสัยได้แต่เราก็ต้องคิดหลายรอบรอบคอบเหมือนกันว่าความสงสัยของเรานี้มันออกจากความโง่ของเราหรือออกจากความฉลาดของเราบางทีท่านสอนถูกแต่เราไปสงสัยอันนี้มันก็เป็นความโง่ของเราไปถ้าสงสัยแบบนี้มันก็ไม่ดี มันก็อาจจะทำให้เราันนี้สงสัยไปเรื่อยๆถ้าสงสัยไปเรื่อยๆถ้าเปลี่ยนอาจารย์ก็ยังสงสัยอยู่ถ้าไปอ่านพระไตรปิฎกก็ยังสงสัยอยู่อันนี้สแสดงว่าเราน่นแหละเป็นปัญหาแล้วไม่ใช่ผู้อื่นเป็นปัญหา ไปศึกษากับองค์นั้นอง น, นี้ก็สงสัยไปศึกษาจากหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ตายไปแล้วก็สงสัยไปศึกษาจากพระไตรปิฎกก็สงสัยถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราเนี่ยลักเป็นปัญหาเราไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆได้อันนี้ก็น่าวิตกน่าสมเพชถ้ามีปัญหาอย่างนี้ บางคนเป็นอย่างนี้ไปเรียนกับใครก็สงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้แม้แต่สมัยพระพุทธการมีคนเรียนจากพระพุทธเจ้าก็สงสัยพระพุทธเจ้าตอบไม่ได้ก็เลยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงพอไปถามเรื่องอาจินไตไปถามเรื่องที่พระพุทธเจ้าก็ตอบไม่ได้ว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรไปถามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน เราก็พยายามย้อนดูละลึกชาติกลับไปอยู่เรื่อยๆมันก็ยังไม่ไปเจอจุดเริ่มต้นของของโลกนี้เสียทีท่านก็ตอบว่ามันไม่รู้พอตอบในเรื่องที่ไม่สามารถตอบได้เขาก็เลยทำให้เขาไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าขึ้นมา เรื่องที่เราจะเชื่อได้จากพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องการดับความทุกข์เท่านั้นเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบางทีท่านก็ไม่รู้หรือรู้บอกพวกเราเราก็ไม่เข้าใจเพราะมันเป็นอจินไต่เป็นความรู้ที่เหนือความสามารถของพวกเราที่จะเข้าใจได้ ดบางอย่างก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรู้ให้สนใจเรื่องของการดับทุกข์เท่านั้นถ้ามาเรียนจากพระพุทธศาสนานี่ขอให้เรียนรู้วิธีดับทุกข์ว่าดับทุกข์ได้อย่างไรการจะรู้ว่าทุกข์ดับได้อย่างไรก็ต้องไปเรียนรู้เหตุของทุกข์ก่อนว่าทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรพวกเราทุกคนมีความทุกข์มที่พูดนี้คือความทุกข์ใจนะไม่ใช่ความทุกข์กาย ความทุกข์กายนี้เรารู้กันเราแก้ได้ไม่ต้องมาหาพระพุทธศาสนาเวลาเราร่างกายทุกข์นี่เราไปหาหมอหมอก็จะให้ยาอะไรมากินเริ่มถ้าต้องผ่าตัดก็ผ่าตัดแล้วเดี๋ยวความทุกข์ทางร่างกายก็หายไปความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายก็หายไปอันนี้ไม่ต้องมาหาพระพุทธศาสนาถ้ามีความทุกข์ทางร่างกาย แม้แต่พระยังต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมอถ้าเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่นี้พูดถึงนี้คือความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี้ต้องมาที่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้ามาสอนเรื่องอื่นมาถามเรื่องอื่นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันบางคนสอนว่าขับรถอย่างไรนีม่มาเรียนกับที่วัดก็สอนไม่ได้ ลดซ่อมลดลดเสียให้ซ่อมยังไงอย่างนี้ก็สอนไม่ได้เพราะไม่รู้พระไม่ได้มาเรียนเรื่องการซ่อมรถยนต์พระมาเรียนเรื่องการซ่อมจิตใจจิตใจเวลาเสียเสียใจซ่อมยังไงทําให้มันไม่เสียใจการที่เราจะซ่อมความทุกข์ความเสียใจได้ เราต้องรู้สาเหตุของความทุกข์ของความเสียใจก่อนคนในโลกนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเวลาเราเสียใจเราทุกข์ใจนี้เกิดจากอะไรเหตุที่เราคิดว่าเหตุที่ทำให้เราเสียใจนี้ก็ไม่ใช่เป็นเหตุเองเจนเวลาเราเสียคนที่เราลักไปเราก็ทุกข์ใจเราก็เสียใจถ้าถามว่าอะไรทำให้เธอทุกข์ใจ ก็จะบอกว่าเพราะเขาจากเราไปนั่นเองเราเสียคนรักไปแต่นี่ทางศาสนาพุทธกลบว่าไม่ใช่เป็นเหตุของการทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเหตุของการเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็คืออะไรก็คือเวลาเราเสียคนรักไปเราเสียใจเพราะเราไม่อยากให้เขาเสียนั่นเองเราไม่อยากให้เขาจากไปเหตุที่แท้จริงไม่ใช่การจากไปของเขา เหตุที่แท้จริงอยู่ที่การไม่อยากให้เขาจากไปพอถ้าไม่เชื่อเวลาที่เราอยากให้เขาจากไปนี่เขาจากไปเราเสียใจไหมไม่เสียใจไหยกับดีใจเส่ไหอยู่กับเขาแล้วทุกข์ไม่สบายใจก็ไม่อยากให้เขาอยู่กับเราแล้วสิอยากจะให้เขาจากเราไปพอเขาจากเราไปเราเสียใจไหมเราทุกข์ใจไหมไม่ทุกข์ใจ ก็เป็นการจากกันไปเหมือนกันไม่เฉยเลยเวลาเขาก็จากเราไปแต่เขาจากแบบให้เราทุกข์ใจก็ได้จากแบบให้เราดีใจก็ได้มันอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่เหตุเหตุของความทุกข์ใจมันจึงอยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่การจากไปของเขาเวลาเขาจากไปเราทุกข์ใจก็เพราะว่าเราไม่อยากให้เขาจากไป แต่ถ้าเวลาเขาจากไปแล้วเราดีใจนี้ก็เพราะว่าเราอยากให้เขาไปนั่นเองพอเราอยากให้เขาไปเขาไปเราก็ดีใจเล <c oughs> นี่แหละคือเหตุของความทุกข์ใจไม่ใช่อยู่ที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราแต่เกิดจากใจความอยากของเราต่อเหตุการณ์เหล่านั้นถ้าเกิดความอยากให้เขาอยู่แล้วเขาไปเราก็จะเสียใจ ถ้าอยากให้เขาไปแล้วเขายังอยู่ก็เสียใจอีกเหมือนกันอ น, นี่คือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าสาเหตุของความทุกข์ใจของความเสียใจนี้เกิดจากความอยากของเราเองซึ่งทรงแยกไว้สามกลุ่มด้วยกันคือหนึ่งอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบเรียกว่ากามตต์ตันหา พอเราได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบนี้เราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาแต่พอเราไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบขึ้นมานี้เราจะเสียใจทันทีหรือเราสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบไปก็ทำให้เราเสียใจเพราะเรามีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบ พอเราไม่ได้เราก็เสียใจเมื่อเวลาเราเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราก็จะเสียใจเนี่วยนิลาวาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์กันความอยากชนิดที่สองก็คือความอยากมีอยากเป็นใช่ไเวลาเราอยากเป็นอะไรพอเราได้เป็นเราเราเกิดความสุขใจขึ้นมา แต่พอเราอยากเป็นแล้วไม่ได้เป็นนี่เราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาหรือเป็นแล้วพอเสียไปเราก็เสียใจเพอได้ตำแหน่งนี้มาไม่นานอา้าวถูกเขาปลดเสียแล้วนี่ก็เสียใจขึ้นมานี่คือความอยากชนิดที่สองที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจคือความอยากมีอยากเป็นความอยากชนิดที่สามที่ทำให้เราทุกข์ใจก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็น เช่นอยากไม่แก่เวลาเจอความแก่แล้วเราทุกข์ไหมมีใครอยากแก่บ้างไม่มีใครอยากแก่ความอยากไม่แก่นี้ทำให้เวลาเจอความแก่ทำให้เราทุกข์กันความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์กันเวลาอยากเวลาเจอความตายก็ทุกข์กันเพราะเราไม่อยากตายกันเนี่เรียกว่า ความอยากชนิดที่สามความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือความอยากสามชนิดที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจต่างๆที่เรามีอยู่กันพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้กำจัดความอยากเหล่านี้ได้ใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแต่เราจะกำจัดความทุกข์ความอยากเราความอยากเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีเครื่องมือ ถ้าเราไม่มีเครื่องมือนี้เราจะไม่สามารถกำจัดได้เหมือนกับเวลาที่เรามีปัญหาขับรถแล้วยางแตกอย่างแตกเรามียางสำรองอยู่แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือมาเปลี่ยนยางสำรองเราก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้ามีมือเปล่าๆนี่เปลี่ยนไม่ได้ เราต้องมีเครื่องมือในรถถึงมักจะมีเครื่องมือไว้สําหรับเปลี่ยนยางเครื่องมือก็หนึ่งต้องมีแม่แรงแม่แรงไว้สําหรับยกล้อให้ลอยขึ้นมาแล้วก็มีที่ขันน็อตที่คลายน็อตเพราะว่าน็อตนี้มันขันนั่นเอามือเราหมนุนหมุนไม่ออกมือกำลังเรามีกำลังไม่พอเราต้องใช้ที่ขันน็อตที่คลายน็อต พอเรามีที่คลายนอ็อตเราก็จะคลายน็อตที่ที่ทําให้ล้อติดอยู่กับรถได้เราก็สามารถถอดยางออกจากล้อดได้ออกจากรถได้แล้วก็เอายางใหม่ใส่เข้าไปได้ยกล้อขึ้นก่อนยกล้อให้ลอยด้วยด้วยแม่แรงก่อนพอลอยแล้วเราก็สามารถถอดยางออกได้พ อ, เ, อเปลี่ยนยางใหม่เข้าไปขันน็อตให้แน่นแล้วก็ลดแม่แรงลงมา ทีนี้ก็วิ่งต่อไปได้ต้องมีเครื่องมือถึงจะแก้ปัญหาเรื่องยางแตกได้ฉนันใดเราก็ต้องมีเครื่องมือในการที่จะมาแก้ความอยากแก้ความทุกข์ใจของเรามาหยุดความความทุกข์ใจของพวกเราหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจเครื่องมือพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบแล้วนำมาสอนพวกเราให้นำเอามาพกไว้ติดตัวเวลาเกิด ความอยากต่า ง, างๆเกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาก็ให้เอาเครื่องมือนี้มาใช้ได้เลยเครื่องมือนี้ก็มีอยู่สามชิ้นด้วยกันคือหนึ่งการทําบุญทําทานสองการรักษาศีลสาการภาวนาการปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธิจเจริญปัญญา น, นี่คือเครื่องมือสามชนิดที่เราจะต้องมีติดตัวกับเราไป การที่เราจะมีเครื like ่องมือสามชนิดนี้เราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเครื่องมือสามชนิดนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนวัตถุต่างๆไม่ได้เป็นเหมือนแม่แรงไม่เป็นเหมือนที่ขันน็อตที่เราสามารถไปซื้อมาได้ทันทีเครื่องมือนี้มันเป็นความสามารถภายในใจของพวกเราที่เราต้องสร้างมันขึ้นมาต้องฝึกต้องทำเมื่อฝึกเมื่อทาแล้ว ต่อไปเราก็จะทำได้ <c oughs> นี่คือเราต้องมาหัดทำทานกันเราต้องมาหัดรักษาศีลกันเราต้องมาหัดภาวนากันเราถึงจะมีทานศีลภาวนาอยู่ในใจถ้าเรามีทานศีลภาวนาอยู่ในใจแล้วเราจะสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราได้ พอเกิดความทุกข์ใจเราไม่ต้องไปโทษใครไม่ต้องไปโทษคนคนั้นคนนี้ว่าเขาไม่ดีกับเราเขาร้ายกับเราโทษใจเราที่ไปอยากให้เขาดีกับเราไม่ร้ายกับเรา่อหยุดความอยากในใจเราเท่านั้นอย่าไปอยากให้เขาดีกับเราอย่าไปอยากให้เขาไม่ร้ายกับเราแล้วเขาจะดีจะร้ายกับเราอย่างไรนี้จะไม่เป็นปัญหาเราจะไม่มีความทุกข์กับเขา เขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะร้ายก็เรื่องของเขาแต่เราจะไม่ทุกข์ถึงแม้ว่าเขาจะมาทำร้ายร่างกายเราเขาก็เพียงแต่ทำให้ร่างกายทุกข์เท่านั้นเองแต่ใจเราจะไม่ทุกข์กับการาทุกข์ของร่างกายถ้าเราหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจของเราได้ <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือขอบวนการของการแค่ความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเราเราต้องศึกษาก่อนต้องศึกษาจากผู้ที่รู้เมื่อรู้แล้วเราก็เอาไปทำการบ้านไปหัดทำเรียกว่าเป็นการทำการบ้านไปหัดทำบุญทาทานไปหัดรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปดแล้วก็ไปหัดภาวนาหัดเจริญสติให้มีสติคอยกำกับใจควบคุมใจควบคุมความคิดต่าง เพราะใจจะมีสมาธิมีความสงบได้ใจต้องหยุดคิดนะใจจะหยุดคิดได้ต้องมีสติเป็นผู้หยุดถ้าสติมีกำลังไม่พอหยุดความคิดไม่ได้ก็ต้องมาสร้างสติกันก่อนนะวิธีสร้างสติก็ให้นัลิกถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นนัลกถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อย ถ้าอยู่กับพุโทโธไปสติก็จะโผล่ขึ้นมามีกําลังมากขึ้นไปตามลำดับพอมีสติแล้วก็จะหยุดความคิดได้พอนั่งสมาธิจิตก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นี่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่เราจะต้องสร้างเรียกว่าเป็นการสร้างเครื่องมือสร้างเครื่องมือเพื่อที่เราจะได้มาแก้ปัญหาเวลาที่เกิดความทุกข์ใจ เวลาเกิดความทุกข์ใจนี้ขั้นแรกเราต้องรู้ทันทีว่าอย่าไปโทษใครทั้งนั้นไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์ใจได้มีเรานั่นแหละที่ทำตัวเราให้ทุกข์เขาเป็นเพียงเป็นเหมือนตัวจุดฉนวนเท่านั้นเองเป็นตัวทำให้เกิดให้เรามาสร้างความทุกข์ใจเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้เป็นผู้มาทำให้เราทุกข์ใจเป็นเหมือนฉนวนเวลาที่จะทำให้ระเบิดระเบิดนี้เราต้องจุดชนวนกัน พอชนวนมันเริ่มไหม้มันก็จะไหม้ไปถึงตัวระเบิดแล้วมันก็จะระเบิดขึ้นมาได้ตัวระเบิดไม่ได้อยู่ที่ชนวนไม่ได้อยู่ที่ไฟที่จุดนะตัวระเบิดมันอยู่ในตัวลูกระเบิดนั่นแหละฉันใดความทุกข์ใจเหตุของความทุกข์ใจก็อยู่ที่ใจนี่แหละไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้งั้นอย่าไปแก้ที่คนนั้นคนนี้แก้ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ แกยังไงก็ไม่มีความไม่มีไม่มีการดับทุกได้อาจจะทำให้ความทุกหายไปชั่วคราวเช่นเขาไม่ดีแล้วไปขอให้เขาดีกับเราพอเขาดีกับเราก็ก็หายทุกไปแต่เลีวเกิดเขาเปลี่ยนใจเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็ไม่ดีกับเราอีกพอเขาไม่ดีกับเราอีกเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาอีก นี่ไม่ใช่เป็นวิธีแก้อย่าไปแก้ที่ผู้อื่นอย่าไปแก้ที่สิ่งอื่นอย่าไปแก้ที่เหตุการณ์ต่างๆให้มาแก้ที่ความอยากของเราแก้ความอยากของเราก็ต้องแก้ด้วยการมีทานมีศีลมีภาวนาถึงจะแก้ได้ทำไมต้องมีทานก่อนเพราะถ้าไม่มีทานเราจะไปรักษาศีลไม่ได้ถ้าเราไม่มีศีลเราจะไปภาวนาไม่ได้ เครื่องมือที่แท้จริงในการแก้ความทุกข์ใจก็คือภาวนานี่เองภาวนานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะหยุดความอยากต่างๆได้แต่ก่อนจะภาวนาได้ต้องมีศีลก่อนถึงจะมีมีกําลังมีเวลามาภาวนาก่อนที่จะรักษาศีลได้ก็ต้องมีฐานก่อนมีการทําบุญทําฐานก่อนนี่เป็นขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมา เพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ในการกำจัดความทุกข์ของใจที่เกิดขึ้นจากความอยากต่างๆของใจนี้เองนี่คือกระบวนการของการแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ใจด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ได้ศึกษาฟังเทศฟังธรรมเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเรียนรู้แล้วก็เอาไปทำการบ้าน การบ้านก็คือไปปฏิบัติไปสร้างทานขึ้นมาไปสร้างศีลขึ้นมาไปสร้างภาวนาขึ้นมาพอเรามีทานมีศีลมีภาวนาแล้วเวลาเกิดความทุกข์ใจเราก็จะไปหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ทันทีเหมือนกับเวลาที่เรามีแม่แรงมีที่ขันน็อตคลายน็อตพอยางตากพวกเราก็เปลี่ยนยางได้ทันที แต่ถ้าไม่มีเครื่องมือไม่มีวันที่จะทำได้นี่แหละคือเรื่องของการมาวัดที่แท้จริงมาวัดเพราะเราเป็นนักเรียนนักศึกษาของพระพุทธศาสนาเราต้องมาเรียนคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเรียนแล้วเราก็ต้องออกไปทำการบ้านพอเราทำการบ้านได้แล้วเราก็ไปทำข้อสอบต่อไปได้ เวลาเกิดเหตุการณ์ที่มาทำให้เราทุกข์เราก็จะดับทุกข์ได้ทันทีถ้ายังดับทุกข์ไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังสอบตกเครื่องมือที่เรามียังไม่กําลังไม่พอก็ต้องกลับมาทำการบ้านเพิ่มทำทานเพิ่มรักษาศีลเพิ่มภาวนาเพิ่มให้มันได้เต็มร้อยพอมีเต็มร้อยแล้วทีนี้สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างแน่นอน เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระ อ, อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านใช้วิธีการนี้กําจัดความทุกข์มาแล้วท่านเป็นผู้รับรองรับประกันว่ากําจัดได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ขอให้สร้างเครื่องมือเหล่านี้ขึ้นมาให้ครบบริบูรณ์เท่านั้นเองเล่าความทุกข์ต่างๆก็จะหมดสิ้นไปนี่คือเรื่องของการมาวัดมาศึกษาวิธีการดับความทุกข์ศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติ ไปสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมาแล้วพอมีเครื่องมือแล้วก็ไปทดสอบว่าเครื่องมือนี้ใช้ได้หรือไม่ได้เวลาเกิดความทุกข์ใจดับมันได้หรือไม่ได้ถ้าดับได้ก็แสดงว่าเครื่องมือนี้ใช้ได้ถ้าความทุกข์แบบไหนยังดับไม่ได้ก็ต้องไปเสริมต่อไปความทุกข์ต่างๆก็จะหมดสิ้นไป ก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขและการสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูธนาให้พร ยะธาวาเลวะหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกะปติอ an ิทิตังปฏิต um ังตุมหังเขปเมวะสมิจโตสะเพปุเรนตุจังกะปา จันโทปนาหราโสยะธามณีโชตดาราโสยทาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีทีขายุโกภวะอภพิวาธนสีริสานิจังวุธาปจายโน จตารโธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัาลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออยากจะถามเรื่องอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สอง2ห้าสิบคนครับ YouTube 226ยิหกคนครับพิทยิวออนไลน์ยี่สิบห้าคนครับผูระปฟังบนเขาหนึ่ง้อยสี่ิบคนครับรวมทั้งหมดห4 4้อี่สิบี่คนครับ ถ้ายังไม่มีใครถามก็เอาทางบ้านเข้ามาก่อนก็ได้คำถามจากทาง youtube นะคะเรียนถามพระอาจารย์ขันห้า ก, กับตัวรู้ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะขันห้า ก, กับตัวรู้รวมกันเป็นมนุษย์ถ้าจะไม่อยากทุกข์ต้องเห็นว่าขันห้าเป็นของไม่ดีใช่ไหมคะและถ้าจะเห็นว่าเป็นของไม่ดีได้ต้องมีสมาธิใช่หรือไม่คะ คือขันห้ามันไม่ใช่เป็นตัวไม่ดีหรือตัวดีนะขันห้านี่มันเป็นเหมือนมีดเหมือนเครื่องมือคนใช้มีดเนี่ยใช้ไปในทางที่ดีก็ได้ใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ใช้ไปในทางที่ดีก็เป็นประโยชน์ใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นโทษนั้นขันห้าไม่ใช่เป็นตัวปัญหา ตัวปัญหาคือตัวรู้ผู้รู้ที่ใช้ขันหา้าว่าใช้ไปในทางไหนถ้าใช้ไปในทางกิเลสตัณหาก็ไม่ดีใช้ไปในทางความอยากก็ไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้รู้เองผู้กระทาเองอยากได้นูน่นได้นี่ก็ต้องใช้ขันหา้าเช่นอยากจะเป็นนายกนี่ก็ต้องมีร่างกายต้องมีเงินไปลงทุนเลือกตั้ง พอได้มาแล้วก็ต้องไปเจรจากันอะไรกันก็ต้องใช้ขันนะฮะขันห้าขันที่หนึ่งเรียกว่ารูปประขันก็คือร่างกายอีกสี่ขันนี้อยู่ในใจอยู่ในผู้รู้เรียกว่านามขันนามขันก็ได้แก่สัญญาสัญญาอันแรกคือวิญญาณวิญญาณคือผู้ที่ไปเชื่อมต่อ ใจให้ติดกับกร่างกายใจนี้ต้องอาศัยร่างกายเป็นผู้รับข้อมูลเข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายวิญญาณนี้ก็เป็นผู้ที่ไปรับข้อมูลพอเข้ามาแล้วใจก็ใช้สัญญาเป็นผู้แปลความหมายว่ารูปนี้เป็นรูปใครอาศัยความจำถ้าเคยเจอเคยเห็นมาก่อนก็รู้ว่าเป็นรูปคนนั้นรูปคนนี้นี่นก็สัญญา แล้วก็พอรู้ว่าเป็นใครแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเพราะเป็นเพื่อนก็ดีใจมีความสุขถ้าเป็นศัตรูก็มีความทุกข์มีความไม่สบายใจพอเกิดความสุขเกิดความทุกข์ก็เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดว่าจะทำไงดีกับคนที่เราเห็น เป็นเพื่อนก็ไปต้อนรับเขาสิถ้าเป็นศัตรูก็เดินหนีดีกว่าอย่าเจออย่าเผชิญหน้ากันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสังขารนามขันสีเป็นผู้ทำหน้าที่ร่างกายเป็นผู้รับหน้าที่รับข่าวสารทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาแล้วนามขันก็เป็นผู้ที่วิเคราะห์ว่าควรจะทาอย่างไรกับข้อมูลที่ได้รับมา ถ้าใช้กิเลสมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเกิดความโลภใจก็ทุกข์เห็นเงินปั๊บก็อยากได้ก็ทุกข์ขึ้นมาเห็นคนที่ไม่ชอบก็โกรธขึ้นมานี่ก็เกิดความทุกข์แต่ถ้าใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่ทุกข์เวลาเห็นใครก็เฉยเฉยเฉยไม่โลภเห็นเงินก็ไม่โลภเฉยเฉยเห็นคนที่ไม่ชอบก็เฉยเฉยไม่โกรธเขาอันนี้ ก็คนที่คนที่ใช้ขันห้าโดยที่ไม่เป็นโทษก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์เพราะท่านไม่มีกิเลสท่านสิ้นกิเลสท่านเลยไม่ตัวที่เป็นโทษเป็นตัวที่เป็นปัญหาก็คือกิเลสในใจในตัวผู้รู้นี่เองอย่างอื่นไม่เป็นปัญหาร่างกายไม่เป็นปัญหาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เป็นปัญหาเพราะเป็นเครื่องมือ เหมือนมีดคนที่ใช้มีดเป็นก็ไปทำประโยชน์ได้หรือคนที่ใช้มีดไปด้วยความเมตตาก็ทำประโยชน์คนที่ใช้เมตตาด้วยความโลดความโกรธก็ไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนได้แล้วก็จะส่งผลกลับมาที่ตัวผู้กระทำพอทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนใจตัวผู้กระทำก็จะเดือดร้อนขึ้นมาตามไปดังนั้นขันห้านี้ไม่ใช่เป็นตัวปัญหา ขันห้าเป็นเครื่องมือตัวเป็นปัญหาก็คือกิเลสตัณหาที่อยู่ในใจอยู่ในผู้รู้ที่ผู้รู้จะต้อง <c oughs> ศึกษาวิธีกำจัดให้มันหมดไปพอหมดแล้วก็จะใช้ขันห้าไปในทางที่เป็นประโยชน์เช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านตัดสิรูแล้วท่านกำจัดกิเลสตัณหาหมดแล้วท่านก็ยังใช้ขันห้าอยู่แต่ใช้ขันห้าในการทาประโยชน์ให้กับโลก ด้วยการสั่งสอนธรรมะเวลาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนธรรมะก็ต้องใช้ร่างกายใช้ใช้ปากพูดต้องใช้ความคิดความคิดปรุงแต่งคิดแล้วสั่งให้ปากพูดธรรมะออกมาเป็นประโยชน์กับผู้ฟังเพราะว่าเป็นคําสอนที่ฉลาดที่จะทำให้คนหายทุกข์นั่นเองคำถามจากทาง a c e b o o k ค่ะ กาบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเราทาบุญอุทิศให้ผู้เสียชีวิตถ้าเขาไม่ได้อยู่ในภพภูมิที่จะมารับได้แล้วเขาจะรู้หรือเปล่าครับว่ามีคนทาบุญให้ก็อาจจะไม่รู้ก็ได้การทาบุญอุทิศนี้ความจริงต้องมีผู้มาขอถึงจะมั่นใจ เช่มีดวงวิญญาณเขาเดือดร้อนแล้วเข้ามาขอความช่วยเหลืออาจจะเข้ามาในทางฝันก็ได้ฝันถึงคนที่ตายไปแล้วนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเข้ามาหาเราก็ได้หรือเราส่งใจคิดไปหาเขาก็ได้ก็ยังไม่ยังไม่แน่นอนแต่อย่างน้อยก็เราทําเผื่อไว้ก็ดีถ้าเกิดฝันถึงคนตายก็คนตายอาจจะมาหาเราก็ได้ แต่ถ้าจะให้มั่นใจเราต้องคุยกับคนตายได้เวลาเขาเข้ามาในฝันแล้วเราก็คุยกับเขาว่าเป็นยังไงสบายดีขาดหรืออะไรหรือเปล่าหรือถามเขาว่ามีอะไรที่จะพิสูจน์ว่าเขามาจริงหรือเปล่าเช่นเขาเก็บของอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครรู้ไว้ที่ตรงไหนหรือเปล่าบอกให้เรารู้ไล่เราไปพิสูจน์ดูว่าเขาเก็บอของชิ้นหนึ่งไว้ในลิ้นชักไม่มีใครเห็น ไม่มีใครรู้อย่างนี้ถ้าเราลองไปเปิดลิ้นชักดูแล้วเจอของที่เขาพูดเวลาที่เราตื่นมาก็าอาจจะคิดว่าอ๋อนี่เขาพูดจริงเขามาจริงแต่บางทีถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขามาจริงหรือไม่ก็าอาจจะเป็นเพราะเราคิดถึงเขาก็ได้บางทีเราก็คิดถึงคนตายได้คิดถึงก็อาจจะโผล่ขึ้นมาในฝันได้ แต่ทางเพื่อความไม่ประมาทก็ทำไปก็แล้วกันเวลาเราทำบุญไปเราไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับได้รับเราทำเผื่อไว้เพราะเราไม่รู้เราไม่มียานคนที่จะมียานต้องนั่งสมาธิได้คนที่นั่งสมาธิแล้วใจสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณได้ถึงจะรู้จริงว่าผู้ที่่วงรับปแปดล้านนี้อยู่ในฐานะไหนรับ รร บ, บุญที่่่เาสงไไไปด้หือมคำถามจากทาง YouTube นะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะขอถามครับคนที่มีธรร ม, มะอยู่ในใจคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่เข้าวัดทรรมบุญจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีเมตตาเอื้ออารีต่อกันใช่ไหมครับขอโอกาสพระอาจารย์เมตตาอธิบายครับ อก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมดังนั้นเนี่ยความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งการมีเมตตาโกโราุณาก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งการมีสัมมาคารวะคารวผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งความเรียบร้อยความสงบความไม่วุ่นวายไม่ยุ่งเหยิงก็เป็นวก็เป็นธรรมดังนั้นนี่ไม่ใช่ว่ามีแต่ชื่อว่าธรรมแต่ตัวเองนี่แต่งไปด้วย กิเลสเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้มีธรรมนะคถามจากคุณสุภาชัยค่ะความเศร้าใจความหดหู่ใจความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในใจแล้วจะแก้อย่างไรครับถ้าเราฝึกสติเราก็ใช้สติหยุดมันได้ พอไม่สบายใจหดหู่ใจก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่นานห้านาทีใจก็จะหายจากอาการหดหูได้วิธีที่สองก็ใช้ปัญญาปัญญาก็คือความหดหูใจก็เกิดจากความอยากของเรานี่แหละลองถามว่าตอนนี้เราอยากอะไรอะไรทําให้เราหดหูใจเห็นพ่อแม่คนรักไม่สบายใจก็ทําให้เราหดหูใจก็ ก็อยาก็ไปก็มาดูที่ความอยากของเราเพราะเราอยากให้เขาหายใช่ไหมเราอยากให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมเราจึงหดหูใจแต่เราไปห้ามเขาได้หรือเปล่าเราห้ามไม่ให้เขาเจ็บได้หรือเปล่าก็ห้ามไม่ได้ก็ต้องทำใจตอนนี้เขาเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปดูแลกันได้ก็ดูแลกันไปแต่การหดหูใจก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นได้แต่อย่างใด เราต้องมาแก้วความหดหู่ใจด้วยการยอมรับความจริงความจริงว่าเขาเป็นอย่างนั้นแหะตอนนี้เขาเป็นอย่างนั้นใจก็เป็นอย่างนู้นไม่ได้ตอนนี้เขาไม่สบายก็ต้องให้เขาไม่สบายไปเราช่วยเขาได้ก็ช่วยไปแต่เราไปหดหู่ใจก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากลับเกิดแท้ทาให้เราไม่สบายใจไปเปล่ า, าๆพอเราใช้ปัญญาเราก็จะได้หยุดความอยากไม่ให้เขา เป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่สอนใจว่ามันเป็นเรื่องของของเหตุของปัจจัยของเหตุการณ์ที่เราบางทีก็ควบคุมบังคับไม่ได้ท่านเรียกว่าอนัตตา เหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับธรรมชาติของดินฟ้าอากาศนี่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้แต่บางทีเราก็หดหูกับธรรมชาติได้วันไหนมืดเค้มหน่อยไม่ไม่สว่างบางทีก็มีอารมณ์อาการหดหูตามอากาศไปก็ได้เพราะความอยากให้อากาศมันแจ่มใสแต่บางทีเราก็ทำอะไรไม่ได้ อันนี้เราต้องใช้ปัญญาแล้วเราจะสามารถกำจัดความหดหู่ความรู้สึกไม่สบายใจต่างๆได้คำถามจากทาง YouTube นะคะจากคุณจีราพรหลวงพ่อคะลูกขอกับเรียนถามทุกวันนี้อยู่กับคุณพ่อวัย82ปีและแม่เลี้ยงวัย58ปีตอนนี้แม่เลี้ยงอารวาดบ้า จะเอามีดแทงพ่อและลูกแจ้งไปทางตำรวจแม่เลี้ยงก็ไม่สงบก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะก็แยกกันอยู่ท่านเขาไปอยู่ที่อื่นหรือถ้าเขาจะอยู่ที่นี่เราก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนถ้าห้ามเขาไม่ได้ถ้ากลัวว่าจะเกิดภัยอันตรายตามมาเราก็ต้องยอม เราก็ต้องยอมเสียเปรียบเพื่อความปลอดภัยของชีวิตเราก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือย้ายเขาไปอยู่ที่อื่นอย่าอยู่ร่วมกันถ้าอยู่ร่วมกันนะเดี๋ยวเกิดอลาวะาขึ้นมาก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเจ้าค่ะขอถามว่าคนที่ขึ้นสารบรรลงังสาบางตนว่า จะพูดความจริงโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยานหากพูดโกหกก็ขอสาปแช่งตนเองพูดจริงให้พรตัวเองแล้วเป็นจริงตามคำสาบานหรือไม่เจ้าคะไม่เป็นหรอกคำสาบานนี้ไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงก็คือกฎแห่งกรรมเท่านั้นใครพูดปดมันก็จะมีผลเสียหายกับคนพูดเอง พอพูดปลดแล้วใจก็ไม่สบายขึ้นมาเองใจก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ไม่มีอะไรที่จะม า, ามาทําร้ายเขาได้นอกจากกดแห่กแกงกรรมที่กดแห่งกรรมบางทีกว่าจะเกิดผลมันอาจจะช้าไม่ทันใจเราแต่กดแห่งกรรมนี้แน่นอนทําบาปแล้วเบื้องต้นก็จะทําให้ใจไม่สบาย ถ้าต่อไปก็ถ้าบาปมากๆก็เวลาตายไปก็ต้องไปรับกรรมในอบายอันนี้เป็นสิ่งที่ตามมาแต่มันอาจจะช้าอาจจะนานไม่ทันใจแต่มันนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรร ม, ม, ไ, ม, มรไม่มีอะไรแล้วนะคือการส า, สาบานการอะไรต่างๆนี่มันเป็นแค่วาจาคำพูดเท่านั้นเอง ไปสาบานกับใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ใช่หไหมเราก็พูดสมมติกันขึ้นมาแล้วก็เชื่อกันขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือกฎแห่งกรรมนี่ท่านะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเพียงแต่ว่าการแสดงผลของกฎแห่งกรรมมันอาจจะไม่ทันใจเหมือนเปิดสวิตช์ไฟนะ ปุ๊บไฟก็ติดปั๊บเนอันนี้ทำบาปไปนี่บางทียังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายังร่ำยังรวยยังเป็นใหญ่เป็นโตได้แต่มันจะมาส่งผลตอนที่ตายไปแล้วเนี่ยแทนที่จะมาเป็นมนุษย์แทนที่จะไปเป็นเทวดาก็ไปเป็นสัตว์เดร้ยฉานอย่างนี้มีคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม กรานมัส ก, การพระอาจารย์ครับพระโสดาบันไม่กลัวความตายจะรักษาศีลยย่งกว่าชีวิตแม้จะมีคนมาฆ่าก็ไม่โกรธไม่ตอบโต้และพระโสดาบันยังมีความอยากจะมีแฟนไหมครับพระอาจารย์ยังมีอยู่ว่าพระโสดาบันยังไม่ได้ประยุ์ความอยากมีแฟน <c oughs> ต้องเป็นขั้นของพระสกิราคามีพระนาคามี พระโสดาบันจะขึ้นสู่พระสะกิรดาคามีอนาคามีก็ต้องพยายามหยุดมีแฟนวิธีที่จะหยุดก็ต้องหยุดความอยากมีแฟนการที่จะทำให้ไม่มีความอยากมีแฟนก็ต้องเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของแฟนร่างกายของคนเราทุกคนมีส่วนที่น่าดูกับส่วนที่ไม่น่าดูแต่เรามองไม่เห็นส่วนที่ไม่น่าดูเราก็เลยไปหลงชอบในส่วนที่น่าดู เราต้องศึกษาดูส่วนที่ไม่น่าดูอันนี้ก็ต้องไปศึกษาจากที่เขามีการสอนเช่นไปเรียนดูตามโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์ก็จะสอนเรื่องอวัยวะภายในของร่างกายเช่นโครงกระดูกปอดตับไ ต, บตลำไส้พอเราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายแล้วความหลงรักร่างกาย ก็จะหายไปความอยากจะมีแฟนก็หายไปคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะการที่เราเสียสละเข้าของเงินทองเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องพระสงฆ์บุคคลอื่นๆและสัตว์ทั้งหลายถือว่าเป็นบุญใช่ไหมคะและถ้าเราทำบุญทุกวัน เราจะได้แผ่เมตตาทุกวันไปด้วยใช่ไหมเจ้าคะใช่การทำบุญก็เป็นการแผ่เมตตาเพราะว่าเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคนทำบุญไม่มีความปรารถนาร้ายไม่ได้ทำบุญเพื่อให้เขาน่มจมเนี่ยมาทำบุญเพื่อให้เขาเจริญทำให้เขามีความสุขคำถามจากคุณสุบินค่ะ การที่เราเอาพาระเลี่ยมทองไปจำนำแบบนี้บาปหรือไม่เจ้าคะไม่บาปหรอกพระเลี่ยมทองก็เป็นเหมือนสินค้าชนิดหนึ่งถ้าคนคนที่เราไปจำนำเขายินดีรับเล้วให้เงินเรามาก็ไม่เป็นการบาปอย่างไงเหมือนกับเอาสินค้าอย่างอื่นไปเอาเอาปากกาเลี่ยมทองไปจำนำเอาพาระเลี่ยมทองไปจำนำก็เหมือนกัน คำถามจากคุณอรุโน่ไทยคะ่ะทำอย่างไรไม่อยากโกรธเพื่อนร่วมงานต้องวางตัวอย่างไรเจ้าคะขณะนี้เพิ่งเข้าวัดไม่สนใจ ว, วิธีที่จะไม่โกรธใครก็อย่าไปหวังอะไรจากเขาเลยถ้าไม่หวังอะไรจากเขาก็จะไม่มีวันโกรธเขาพอไปหวังแล้วไม่ได้ดังใจก็จะโกรธขึ้นมาฉะนั้นเราจะเจาสอนให้ใช้สันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิด เขาดีก็ดีเขาจะดีกับเราก็เรื่องของเขาเขาจะร้ายกับเราก็เรื่องของเขาแล้วเราจะไม่มีวันโกรธเขาได้หมดแล้วนะมีอีกเจ้าค่ะคำถามสองคำถามเนะี่หมดมแล้วเวลาคถามจากคุณต้นกล้าคะ่ะผู้ที่ได้พระโสดาบันไม่กลัวแก่เจ็บตายเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ศรัทธาในพระธนรมใยเหนียวแน่นตลอดเวลา จะเกิดเป็นคนไม่เกินเจ็ดชาติหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรเจ้าคะขึ้นอยู่ว่ากําจัดกิเลสที่เหลืออยู่ได้หมดหรือ ย, อยังเนถ้าได้เป็นพระหลานก็ไม่ต้องกลับมาเกิดทีการจะไปเป็นพระหลานนี้อาจจะบางคนใช้เวลามากบางคนใช้เวลาน้อยเหมือนเรียนหนังสือเพราะนี่มันเป็นการเรียนแบบนอกห้องเรียนเหมือนเรียนที่รามเห็นไหมเรียนรามนี้บางคนก็จบสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปี แล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความพยายามก็เช่นเดียวกับพระโสดาบันพระโสดาบันจะเลื่อนขึ้นระดับปัญญาที่สูงกว่าได้ก็ต้องอาศัยความขยันที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติขยันมากปฏิบัติมากมันก็จะบรรลุเร็ว สุดท้ายนะครับคถามสุดท้ายคําถามจากคุณนพพลรัตน์ค่ะอยากทราบวิธีดับทุกข์ในใจเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็นี่แหละต้องให้รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆแล้วถ้าอยากจะดับทุกข์ ก, ก็ดับที่ควักหยุดความอยากเหมือนวิธีเปิดไฟปิดไฟเปิดที่ตรงไหนปิดที่ตรงไหนอก็ไปที่สวิตไฟใช่ไหมเราต้องการดับไฟเราก็ไปที่สวิตไฟพอกดสวิตป้าไฟก็ดับ สวิต ท, ที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือความอยากเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไปหยุดความอยากเลยอยากให้เขาดีกับเราเขาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์พอเราหยุดความอยากให้เขาดีกับเราเราก็ไม่ทุกข์เขาจะไม่ดีกับเราเราก็จะไม่ทุกข์นะแล้วนะเมื่อคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ